แล้วอีกสามรูปล่ะอีกสามรูปก็รู้ว่าผู้หนึ่งบรรลุอริยภูมิในสำนักของพระพุทธเจ้าโดยไม่นานอรูปรูปอีกรูปหนึ่งก็คือใครคือปุ ก, กุฏสาติใช่ป ก, กุตสาติที่ไปฟังธรรมะนะฟังธรรมจากใครพระพุทธเจ้าที่โรงช่างม่อแล้วบรรลุเป็นพระอนาคามีเกิดในสวรรค์ชั้นสุดทาวาสเอาองค์ที่สองล่ะ ผูห้หนึ่งอาศัยลาบสการะเกิดความคิดว่าเราเป็นพระอรหันต์อยู่ที่ท่าเรือสุ ป, ปาระกะพระนาคามีรูปนี้ก็เลยเข้าไปหาเข้าไปถึงเนี่ยนะไอ้ความที่เขาเนี่ยนุ่งแต่ท่อนไม้อะนะนุ่งเปลือกไม้เขาก็เลยคิดว่าเขาเป็นพระอรหันต์เขบอกเออคือคือทุกคนมาทุกคนมาก็มายกมายกย่องเขาว่าเป็นพระอรหันต์ก็เลยสำคัญผิดเอสงสัยในจํานวนพระอรหันต์เราก็หนึ่งในพระอรหันต์แน่นอนพระนาคามีก็ลงมาเลย ก็บอกท่านไม่มีอรหัตผลและท่านก็ไม่มีข้อปฏิบัติเพื่ออรหัตมรึกก็เลยสั่งให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมไปถึงก็ขอโอขอขอข อ, ขอฟังธรรมช่วตรงไหนขณะที่พระพุทธเจ้ากําลังบินธบากก็ไปขอฟังธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าก็แสดงให้ฟังโดยย่อว่าเธอพึงศึกษาเน้นพิเศษนะตรงนี้บอกเธอพึงศึกษาศึกษาเป็นชื่อของอะไร อธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นหมายคือว่าเธอต้องเจริญสิกขาสามเมื่อเห็นเนี่ยเห็นยังไงเป็นสิกขาสามถ้าเห็นไม่เป็นศิกขาสามถ้าเห็นแล้วโทสีนเป็นโทสักถ้าเห็นเป็นไม่มีสมถะก็เป็นโลภะถ้าเห็นเป็นไม่เป็นวิปัสสนาก็เป็นโมหะเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นก็เป็นเห็นด้วยศิกขาสามก็เจริญสิกขาสามยามเมื่อเห็นเมื่อได้ยินเมื่อ เมื่อฟังนะหรือเมื่อทราบเมื่อคิดก็ให้เป็นไปตามสิกขาสามเธอก็จะไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกหน้าไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกขนะ์เนี่ยนะท่านก็เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ทํากิจในอริยสัจตรัสรู้เป็นพระหันหลังจากที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบใช่แล้วก็อขอขอบวชพระพุทธเจ้าก็บอกไม่บวชให้คนที่ไม่มีบาตรแล้ว จีวรท่านก็ไปแสวงหาบาลและจีวรวัวก็ขิดตายเนี่ยนะก็เลยเป็นพาทหารที่บรรลุเร็วที่สุดเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นอิทธักคะในด้านตรัสรู้เร็วเป็นขีปปาภิญญาบุคคลแบะบรรลุเร็วกับเพื่อนอ่ะนะเพราะแสดงย่อมากเลยนะเพื่ึ่งทําศึกษาเมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นเนี่ยนะทิฐิทิธรรมตังพระวิสติเนี่ยนะศึกษานะศึกษาว่าเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะ ฟังแล้วก็แล้วก็อย่ายึดถือว่าไม่มีเราว่านะไม่มีเธอในโลกนี้ไม่มีเธอในโลกหน้าเป็นต้นซึ่งสั้นมากะนะถ้าคนไม่เรียนมาอย่างละเอียดจริงๆแทบไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรแต่ท่านฟังและท่านฟังจบแล้วปฏิบัติแล้วบรรลุได้แต่ยุคปัจจุบันสมัยใหม่มาไม่รู้ตัดคําว่าศึกษาทิ้งก็เหลือว่าเมื่อเห็นและมัตตตะตัวนั้นก็แปลศัพท์แต่ว่าเข้าก็เลยเห็นศัพท์แต่ว่าเห็น พระฉะนั้นก็เลยนั่งทำตาปริบๆฉลาดปะปัญญาอ่อนหรืออาจจะเท่ากันก็ได้เนี่ยนะพราเห็นแล้วก็นั่งทำตาปริบๆเออเห็นก็สักแต่ว่าเห็นดีถ้าเขาขับรถนี่อันตรายมากเลยนะอยให้คนอย่างนี้ขับรถเด็ดขาดเลยเพราะถ้าเจริญเห็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อไหรก่ก็ถ้าทำกับข้าวได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่นในมหม้อกเลยทะลุเลยนะนันก็คงไม่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกไม่ใช่คำสอนนะก็ต้องศึกษาให้ดีว่าเธอพึงเธอพึงศึกษา ให้ศิกษาคือศิกขาสามเมื่อเห็นเนี่ยเห็นยังไงเห็นเป็นอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาฟังยังไงเป็นฟังด้วยอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาฟังยังไงเป็นศีนสมาธิปัญญาในทุกทวารทุกอารมณ์นะถ้าเจริญได้อย่างนี้ก็นั่นแหละที่สุดแห่งทุกก็จะเจริญและปฏิบัติธรรมที่สุดแห่งทุกได้จริงเรื่องเนื้อหาโดยพิสดารอยู่ในคำพีอุทานอัตถคถานเนี่ยนะทีนี้องค์องค์งงหนึ่ง นะผ่านไปแล้วองค์ที่อ่นะทั้งหมดมีห้ารูปใช่รูปที่หนึ่งเป็นพระอรหันต์รูปที่สองก็คื อ, อนาคามีรูปที่สามก็คือปกติรูปที่สี่ก็คือพระพาหยะเหลือองค์เดียวช่วยมาแล้วสององค์บรรลุไปหมดแล้วเหลือองค์เดียวเนี่ยก็ตรวจดูว่ า, อ, าองค์เนี้ยอยู่ที่ไหนอีกองค์หนึ่งก็เห็นว่ากำลังบาเพ็ญ เสขะปฏิปทากําลังเจริญอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาเรียกว่าปฏิปทาของพระเสขะก็ยังเจริญอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเพื่อบรรลุคุณชั้นสูงพระนาคามีพรมนั้นก็เลยคิดว่าเราจะไปยังสํานักของสหายเออถ้าเราจะไปเยี่ยมเพื่อนเก่าเนี่ยถ้าจะไปมือเปล่าไม่ดีไม่ควรจะไปมือเปล่าทีนี้ถ้าเราจะเอาเครื่องบรรณาการไปด้วยเอาของฝากเนี่ยนะ ของฝากที่เป็นวัตถุเนี่ยเพื่อนของเราไม่ชอบเพื่อนของเราไม่เอาแน่นอนคิดดูนี่สิตอนนั้นอ่ะ น, นะอาหารจะฉันไม่มีขนาดเอาอาหารไปฝากแล้วยืนอยู่บนอากาศถวายด้วยนะเหาะถวายอาหารเนี่ยท่านยังไม่ฉันเลยขนาดท่านตอนนั้นนะอมิตรยังไม่รับเลยเพราะฉันเอาเถอะเราจะเอาธรรมะเป็นธรรมะบรรญัการเข้าไปหาแล้วก็อยู่ในพรหมโลกคิดปัญหาได้15ข้อ เหมือนร้อยรัตนะรัตนวลีเนี่ยพวงแก้วคือธรรมบรรณาการมายืนอยู่ในที่ไม่ไกลพระกุมารกัสปะไม่มาถึงไม่กราบอะ่ะไม่อภิวาทไม่กราบไหวแล้วก็เรียกสมัญญาภิกษุภิกษุเนี่ยนะทำไมย้ําถึงสองครั้งว่าภิกษุภิกษุก็บอกว่าคําพูดนี้เพราะดีเพา ง, งั้นภิกษุแต่เนี้ยเดียวว่าไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่ก็เลยว่าพูดสองครั้งบอกภิกษุภิกษุเนี่ยนะก็ นี่ในปัญหาทั้ง15ข้อเ <yson> นี่ยนะปัญหา15ข้อนี่น่าสนใจใช่ไหมอะไรเนอชื่อว่าจอมปลวกอย่างไรชื่อว่าพ่นควันอันหนึ่งคือจอมปลวกปัญหาอย่างที่หนึ่งะอย่างที่สองอย่างไรชื่อว่าพ่นควันในกลางคืนอย่างที่สอย่างไรชื่อว่าลุกโผล่ในกลางวันสอะไรชื่อว่าเป็นพรามห้าอะไรชื่อว่าสุเมธะหอะไรชื่อว่าศาสตราเจ็ดอย่างไรชื่อว่าการขุด8ดอย่างไรชื่อว่าลิ่มสลักเอย่างไรชื่อว่าอื้งอ่างเนี่ยนะ สิอย่างไรชื่อว่าทางสองแพร่ง11 อ, อย่างไรชื่อว่าหม้อ ก, กรองน้างองอําดัง12 อ, อย่างไรชื่อว่าเต่า13อย่างไรชื่อว่าเคียงหันเนื้อ14อะไรชื่อว่าชิ้นเนื้อ15อะไรชื่อว่าเป็นนาคเนี่ยนะอันในข้อ291พระพุทธเจ้าพยากรณ์ตอบปัญหาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติด้วยเนี่ยนะซึ่งถ้าใครจำคำาําคําทาจําโจทย์ทั้ง15 ห, หัวข้อและเข้าใจอัธพปฏิบัติตรัสรุได้แต่นี้เป็นการแสดงแบบปุคลาที่ถามเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าก็ตรัสพยากรณ์ว่าดูก่อนภิกษุหรือว่าดูก่อนกุมารกสปะคําว่าจอมปลวกนั้นเป็นชื่อของกายนี้กายนี้เป็นไงก็คือร่างกายของเราเนี่ยนะว่าร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยมหาภูตรูปสีมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องอบต้องอบ ต, ต้องเฟ้นกันอยู่เป็นนิดถึงอย่างนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงมีอันทําลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดา อันนี้ข้อแรกคําว่าจอมปลวกในที่นี้ก็เป็นชื่อของกายนี้เนี่ยนะเป็นชื่อของร่างกายของเรานี้อย่าลืมว่าเมื่อกี้บอกว่าการศึกษาคําสอนก็คือศึกษาเพื่อนําออกจากทุกไอการศึกษาออกจากทุกถามว่าตัวทุกจริงๆอ่ะคืออะไรก็เนี่ยขันห้าเนี่ยนะเมื่อกี้ก็สวดมนต์เย่างไรว่าเนี่ยความเกิดก็เป็นทุกความแก่ก็เป็นทุกความตายก็เป็นทุกความโศกความร่ําไรรําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุก ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์พระพรากจากของรักก็เป็นทุกข์ปรารถนาและผิดหวังก็เป็นทุกข์ตัวทุกข์จริงๆคืออะไรก็เนี่ยทุกคนที่นั่งอยู่นั้นแหละตัวทุกข์ทั้งนั้นหมดเลยเนี่ยคนพูดว่ตัวทุกข์นั่นแหละทีนี้อ้าวแล้วอันเนี้ยเปรียบเทียบอุปมาเป็นจอมปลวกเนี่ยนะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าจอมปลวกเนี่ยคืออะไรกายเนี่ยเปรียบเหมือนจอมปลวกอันนัเป็นจอมปลวกเป็นชื่อของร่างกาย ร่างกายที่ประกอบไปด้วยมหาภูตรูปสี่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องอบต้องนวดต้องฟันกันอยู่เป็นนิดอันนี้พูดถึงความกายมีองค์ประกอบอย่างไรแล้วเกิดขึ้นเติบโตมาได้อย่างไรถึงอย่างนั้นกายนั้นก็มีอันแตกทำลายกระจัดกระจายเป็นธรรมดาอันนี้พูดถึงกายเหตุให้เกิดกายแล้วก็ความดับกายเท่ากับพูดว่ารูปเหตุให้เกิดรูป ความดับรูปแสดงโดยวูหานพระกุมารกัสปะเป็นพระที่ฉลาดมากเนี่ยนะเป็นพวกประเภทอ่าพวกกลุ่มอุคติตันอยู่พวกนี้ฟังธรรมไม่เยอะเนี่ยนะฟังแต่หัวข้อย่อยๆท่านก็ไปย่อยแล้วก็บรรลุได้แล้วเนี่ยนะพราะนั้นก็บอกว่าพูดถึงกายเนี่ยประกอบด้วยธาตุสีดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมเนี่ยมีรูปนี้เหตุให้เกิดรูปเป็นอย่างงี้นะแล้วรูปมันแตกดับแตกทําลายแตกสลายอย่างนี้นะท่านก็เลยเข้าใจเลย ของเราต้องฟังคำอธิบายเยอะเหมือนกัน น, นะไปดูหน้า339จาตรตมมหาภูมิกัสกายนี้สำเร็จด้วยมหาภูตรูปสี่กายศสะททิวชนังเนี่ยนะคำว่าจอมปลวกเป็นชื่อของกายนี้ที่ประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่ทีนี้คนที่อยู่บ้านนอกชนบทเนี่ยนะฟังแล้วคำว่าจอมปลวกฟังแล้วเข้าใจทันทีจอมปลวกเนี่ยนะชื่อว่าจอมปลวกด้วยเหตุ4ประการ เหตุ4ประการที่เรียกเรียกกันว่าจอมปลวกนหนึ่งคืออะไรจอมปลวกนี่ย่อมขายออกสองจอมปลวกคือผู้ขายสาขายร่างที่ประชุมด้วยธาตุสสผู้ขายความสัมพันธ์ด้วยเสน่หาพูดถึงโลกของจอมปลวกนะนะที่จริงเขามาเนี่ยเป็นเด็กที่เกิดมาเนี่ยเล่นอยู่บนจอมปลวกซะส่วนใหญ่แต่ว่าคิดไม่ได้อย่างนี้หรอกจริงนะน ตั้งแต่เด็กๆแม่ก็โตบนจอมปลวกกันแล้วกินบนจอมปลวกนอนบนจอมปลวกไม่ใช่น้อยใช้ชีวิตอยู่บนจอมปลวกหลายสิปีเนี่ยนะเป็นสิปีเลยแหละว่างั้นนะแต่ก็มาอ่านตรงนี้แล้วเพิ่งเออเราก็เพิ่งคิดได้นะแต่ว่าทั้งๆที่ทั้งขุดจอมปลวกนอนบนจอมปลวกนอนข้างจอมปลวกวนๆอยู่กับจอมเปลือกไปตั้งร้อยปีนะมงเลี้ยงเคยป่ะเหมือนกันนะจอมปลวกแล้วก็บีกองฟางไกลๆนั่นเองนะอันดับแรกก่อนเขาบอกว่าจอมปลวกคืออะไร จอมปลวกนั้นนะสภาพนั้นย่อมคายสัตว์สัตว์เล็กๆต่างๆเช่นงูพังพอนูงูเหลือมเป็นต้นนะอันนั้นแหละกองอันนั้นแหละเรียกว่าวา ม, มิกะกายตัวแปลว่ากองอนะกองก็คือตองตัวตั ว, ตวปลวกให้คายออกมาจอมปลวกนี่ก็จริงอ่ะนะมันจะมีรูพรุนไปหมดเลยข้างในเนี่ยมันเป็นกองก็สูงก็จริงอ่ะมันเหมือนกระอะไรนะ รัง ต, ตัวต่ออะไรข้างในนะั้นมันก็มีทั้งหนูมีทั้งงูมีสรารพัดอย่างอยู่ในนั้นเวลาพวกไปล่าสัตว์กลางคืนก็จะคอยว่าเออมันจะมีรูมีรูออกตัวสัตว์ไหนออกมาจอกจอมปลวอกเขาก็จะยิงพวกนั้นเช่นยิงนกยิงหนูยิ ง, ยงงูอะไรต่างๆนะออกมาจากจอมปลวกเพราะจอมปลวอกนี่มันคลายสัตว์ออกมานี่นนะมันก็พร้อมที่จะหลุดออกมานะอย่างที่2กองเป็นกองที่ตัวปลวอกนี่ก่อขึ้นด้วยฝุน่น นะตัวปลวกเนี่ยนะมันมุดเอ่อเครื่องอะไรมันเจาะลงไปในดินนะแล้วมันไปคาบดินคาบดินด้วยจะงอยปากแล้วมาก่อมาปั้นนะเขามาเคยดูเคยดูมันเอามาปั้นปลวอกมันมันถ้าว่าเราก่อปูนนั่นแหละเหมือนกับพวกก่ออิดนะเหมือนกับ ก, กออิฐไปเอามาละอิดมาเรียงเรียงรยงรงรียงกันแล้วมันก็ปล่อยไว้ให้แข็งระดับหนึ่งแล้วมันก็มาก่อต่อขึ้นไปเนี่ยนะสูงกันเป็นเม็ดเม็เลยแหละเรียกว่าชั่วชั่วสเสลก็แปลว่าเม็ดเศษชั่วบุรุษก็แปลว่า เกือบสเมตรบางทีนี่มันสูงสองสาเมตรไปเลยนะใหญ่มากเลยใหญ่เท่ากับลูกช้างเอาใหญ่เท่ากับช้างใหญ่กว่าช้างอีกเนี่ยนะบางช้างมิดเลยแหละจอมปลวกนะี่ใหญ่มากนะใหญ่ๆจริงๆอะจอมปลวกบางทีกถ็ถ้าใช้รถแม่โครกขุดก็ใช้หลายชั่วโมงอนะกว่าจะขุดเสร็จจอมใหญ่มากปลวกไม่รู้ว่ามันก่อขึ้นมาได้ยังไงนี่นะอันนี้เรียกว่าเป็นที่คายออกใช่ไหมทีนี้อต่อไปอีกเขาบอกว่า จอมปลวกตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีน้ําลายยางเหนียวที่เนี่ยถึงจะฝนจะตกทั้งเดือนทั้งปีตกเจ็ดวันติดกันนะขุดเข้าไปข้างในลึกๆจริงแข็งโปกเลยนะนไม่ใช่ว่าจะขุดง่ายๆนะเพราะมันซึมเข้าได้ไม่ลึกเท่าไหร่นะมันซึมเข้าไปได้ไม่ลึกเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะมันมีน้ํามันน่ะน้ำมันจากปากตัวปลวกเรียประสานเอาไว้ทําให้มันเปียกลงไม่ลึกจริงๆหรือถึงลึกมันก็แค่ชื้นๆนะนะแค่ชื้นๆเนี่ยนะไม่เหมือนกับดินธรรมดา แล้วสุดท้ายถึงฤดูแรงเนี่ยนะมันก็คายเอาฝุ่นจากที่นั้นๆแล้วก็บีบให้เป็นกองยางเหนียวก็ออกมาติดกันที่ยางเหนียวอันนี้ก็เป็นความหมายว่าคายความสัมพันธ์ด้วยเสน่หามันคายยางเหนียวออกมาได้คือถ้าขุดลงไปลึกๆข้างในมันจะมีโพรงแล้วโพรงมันจะมีแบบคล้ายๆกับรังเพลิงแล้ว ม, มาบีบออกเนี่ยบีบมันเจ้าจะมีน้ําเนี่ยนะบีบมันก็จะมีน้ําฉันใด อันนั้นพูดถึงโลกของจอมปลวกชันไทยถามว่าทําไมจึงเปรียบเทียบมองทุกอย่างให้เป็นคล้ายกับจอมปลวกมองเห็นร่างกายเข้ากับจอมปลวกก็เหมือนเห็นเป็นโพรงเนี่ยนะให้มองให้คิดแบบเป็นลักษณะเป็นโพรงก่อนเขาบอกวอย่างคนที่เจริญกรรมฐานอันหนึ่งก็อธิษฐานให้ตัวนี้มันใหญ่ขึ้นเหมือนกับเป็นโพรงใหญ่มากเลยนะถ้าใครเหมือนก็ขยายหัวกะโหลกให้มันใหญ่เท่าบ้านจะเป็นยังไงขยายแขนขยายแขนให้มันเหมือนกับอะไรท่อรางรถไฟในชะ่ไหมอะไรแบบรถไฟใต้ดินอ่ะนะทางลอดเนี่ยนะ มองเห็นเส้นเลือดเหมือนกับเป็นท่อประปาสูงเป็นเม็ดอย่างนะแล้วก็มุดเข้าไปไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างเขาก็จะขยายแบบนี้ขึ้นมาเรียกว่าขยายให้มันใหญ่แบบกี่ล้านเท่าดีขยายให้เป็นล้านเท่านั้นแหละยิ่งดีแล้วมันจะนก็จะเห็นชัดและอะไรเป็นอะไรที่อยู่ข้างในกายของเราเนี่ยถ้าขยายออกมาเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นยังไงหน้าท่องเที่ยวดูไหมเนีย่ยนะชั้นใดากายนี้ก็เหมือนกันท่านบอกว่าเป็นที่คายของไม่สะอาดออกมา หายของที่ไม่สะอาดออกมาจากร่างกายอะไรก็ตามเถอะถ้าออกจากร่างกายแล้วชื่อไม่มีดีแม้แต่ชื่อเดียวเช่นถ้าสิ่งที่ออกจากตาเรียกว่านะสิ่งที่ออกจากหูเรียกว่าสิ่งที่ออกจากจมูกเรียกว่าอันนี้เพราะไหนน้ำมูกแต่บางทีก็เรียกว่ายังอื่นอย่างนะ่นะแล้วถ้าสิ่งที่ออกจากปากอ่ะเี่ยกีฟันเป็นต้น่นะที่ออกจากฟัน่นะแล้วเงือ่อน่ะแล้วก็อะไรนะัน แบบเป็นก้อนเป็นก้อนนะปั้นออกมาจากผิวหนังได้นะเรียกอะไรที่คลายเป็นต้นนั่นนะโอ้ถ้าออกมาจากที่อื่นด้วยหนักกันใหญ่เลยนะสรุปว่ามันสิ่งใดก็ตามที่คลายออกมาแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละนะแล้วก็ไม่มีใครเก็บเป็นที่ระลึกด้วยนะไม่มีอย่างมากก็ได้เป็นภาพถ่ายใช่ไหมถ้าเอาตัวจริงมาอีกก็ไม่เก็บนะ